มีคำแนะนำอันหนึ่งที่อาตมาดีนบ่อยเวลาหลวงพ่อคำเขียนท่านสอนนักปฏิบัติ ร, รมคำแนะนำที่ว่านี่คือให้รู้จักช่วยโอกาสชวยโอกาสในที่นี้เนี่ยมถึงไม่ได้หมายถึงการ หาช่องทางเอารัดเอาเปรียบใครแต่หมายถึงใช้โอกาสในการเจริญสติใช้ทุกเวลาทุกกิจกรรมทุกอิริยาบถในการเจริญสติแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบคือเดินจงกรมสร้างจังหวะ อิรียบบทน้อยใหญ่หรือว่ากิจวัตรทั้งหลายทั้งปวงเราก็ช่วยโอกาสนั้นเนี่ยในการปฏิบัติโดยเพราะการเจริญสติซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา เราล้างหน้าเราถูฟันเช็ดตัวล้างมืออาบน้ำทำครัวหั่นผักกินข้าวหรือแม้แต่เวลาเข้าห้องน้ำไม่ว่าทายหนกักทายเบาเราก็เจริญสติได้ อาจจะคลึงนิ้วไปด้วยตามลมหายใจไปด้วยหรือเวลาเรากลับปิบตาขื่นน้ำลายอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะเจริญสติได้ทั้งนั้นก็คือรู้กายรู้ใจแม้แต่การพูดคุยสนทนากัน การเคลื่อนไหวกายอาจจะไม่ชัดนะแต่ว่าเราก็ดูใจได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่สนทนาเป็นอย่างไรเราลืมตัวลืมใจไปกับเรื่องราวที่สนทนากันหรือเปล่าหรือว่าใจเราไปอยู่ที่อื่นหูได้ยินเสียงแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหน บางทีหูก็ดับไปเลยก็มีเพราะว่าใจไปจดจอ่ออยู่กับสิ่งอื่นแทนรู้ตัวรู้ว่าใจเผลอไปก็ดึงจิตกลับมารับรู้ถ้อยคำที่เขากำลังพูดคุยกับเราเรื่องราวบางอย่างฟังแล้วเราก็ดีใจก็เห็นความดีใจนั้น เรื่องราว บ, บางอย่างได้ยินแล้วก็เสียใจน้อยใจหรือว่าโกรธเราก็ให้รู้ทันนะอันนี้แหละนะมันเป็นการช่วยโอกาสนะที่นักปฏิบัติต้องฉลาดไม่ว่าจะอยู่ในเวลาใด เราคอยเพื่อนนัดเพื่อนเอาไว้เพื่อนยังไม่มาถ้าไม่ฉลาดนะไม่รู้จกักโชว์อกาสก็จะกลายเป็นว่าเปิดช่องให้ความโกรธความหงุดหงิดมันมาครอบงาใจรังควานเล่นงานจิตใจของเราแต่ระหว่างที่เราคอยเพื่อนเราก็ชโชว์อกาสนะจเจริญสติครึ่งนิ้วเบ า, เบา ทิกมือไปมาอาจจะไม่ต้องถึงกับสร้างจังหวะก็ได้เพราะว่าคนอาจจะแยะๆเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ในเมืองอเราคอยรถเมล์ระหว่างที่คอยอยู่นั่นก็โชว์อกาสซะเลยโชว์อกาสเจริญสติอันนี้มันกลายเป็นได้กำไร ถ้าไม่ใช่โอกาสนี่ขาดทุนนะกิเลสหรือว่าความทุกข์มันจะโช้โอกาสเล่นงานเราเราจะใช้โอกาสทุกโอกาสในการเจริญสติสร้างกุศลให้กับจิตใจหรือจะปล่อยให้กิเลสและความทุกข์นี้มันใช้โอกาสเล่นงานเรามีสองทางเลือกเท่านั้นแหละ ถ้าเราไม่ช่โอกาสจเจริญสติหรือว่าสร้างกุศลในใจนะกิเลสและความทุกข์แล้วก็มานก็จะใชโอกาสเร่งงานรังความจิตใจของเราอยู่ในกรุงเทพนะรถติดติดไฟแดงแทนที่จะหงุดหงิดแทนที่จะกระสับกระส่าย เพราะว่าใจนี่มันคิดถึกแต่ว่าเมื่อหลายไฟจะเปลี่ยนเป็นเขียวหรือว่ากังวลว่าจะไปไม่ถึงเป้าหมายถ้าคิดแบบนี้ขาดทุนนะรถติดก็มีเวลามีเวลาเจริญสติไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าเป็นคนนั่งก็ตาม ไฟแดงก็เตือนใจเรานะว่าให้หยุดฟุ้งซ่านได้แล้วถ้ามองไฟแดงไม่เป็นนะมันก็เกิดความหงุดหงิดเพราะไฟแดงหมายถึงการที่ต้องรอหมายถึงการที่ถึงที่หมายช้าลงแต่ถ้ามองไฟแดงก็หมายถึงการเตือนใจให้หยุดหยุดฟุ้งซ่าน ก็ทำให้เราได้โอกาสในการเจริญสติมากขึ้นชวยโอกาสในทุกเวลาชวยโอกาสในทุกิรียาบทรวมทั้งไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ใดนะต้องชวยโอกาสให้เป็นมีอะไรมากระทบกับเราไม่ว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจที่เรียกว่าอิทธารมหรืออนิธารมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจทำให้ใจเราฟูเราก็มีสตนะิเห็นใจที่มันฟูขึ้นมาไม่หลงเพลินนะเวลามี หรือเจอรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่ทำให้ใจแฟบหรือว่าเป็นลบขึ้นมานะก็ให้มีสติรู้ทันอย่างนี้ก็ได้กำไรนะอย่างเช่นเวล า, มาแมลงมันมากวนะบินว่อนหรือว่ายุงกัดนะรู้สึกเจ็บขึ้นมาคัน อันนั้นเป็นโอกาสดีนะที่เราต้องรีบช่วยให้มาดูเวทนาที่เกิดขึ้นคือความทุกข์คือความคันความปวดรวมทั้งเห็นใจที่มันเป็นลบเช่นบนบวยวายตีโพยตีภายหรือว่าโกรธนะ โกรธยุงโกรดแมลงอยากจะตบอยากจะบี้มันหรือแม้แต่อยากจะปัดมันไปไกลๆนั้นถ้าเรามีสตินะรู้ทันใจรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดนะนี่ก็เท่าว่าเราได้กำไรแล้วแม้ว่าจะปวดแม้ว่าจะคัน อันนั้นเป็นเรื่องกายนะแต่ว่าใจนะเราไดา้ฝึกสติมากขึ้นร่นทั้งเวลามีคนชมหรือว่าคนต่อว่าสังเกตไหมเวลามีคนชมใจเราเป็นอย่างไรนะใจเราก็ยินดีเพลอดเพลิน แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รู้ทันใจของตัวเองเท่าไหร่ขอให้ความอยากครอบงำก็คือว่าอยากฟังอีกนะในทางตรงข้ามนะเวลาเขาต่อว่าหรือว่าวิจาร์เรารู้สึกว่าเจ็บปวดรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็อยากจะตอบโต้ ได้ก็ตอบโต้ด้วยคำพูดที่เจ็บแสบหรือว่าฝากคำต่อว่าไปให้เขาคนที่คุยคนที่บอกเรานะให้ไปให้ไปฝากให้คนที่เขาพูดถึงเราใจมันไปจดจ่อยตรงนั้นก็เลยไม่มีสติเนะห็นใจตัวเองอย่างนี้ก็ขัดทุนนะ เพราะว่าถูกความทุกข์ความโกรธมันเผาหล่นจิตใจจริงถ้าเป็นคนที่ฉลาดนะก็จะช่วยโอกาสไม่เพียงแต่ดูจิตดูใจของตัวเวลาได้รับคําชมหรือว่าถูกตําหนิแต่ว่ายังสามารถจะ เป็นตัวเร่งกระตุ้นนะให้ทำความดนะีเวลามีคนตำหนิเรานอกจากเราจะไม่ทุกนะเพราะคำตำหนิเนื่องจากมีสติรู้ทันแล้วนะก็จะได้ถือเป็นเป็นข้อที่สำหรับพิจารณาเพื่อการปรบับปรุงแก้ไขตัวเองหรือว่าทำความดีให้มากขึ้น พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระนันทิยะนะพระนันทิยะนี่ตอนหลังภายหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์ตอนนั้นท่านยังเป็นปุถุชนอยู่พระ เ, เจ้าก็ตรัสกับพระนันทิยะที่จริงตรัสสอนทั่วไปและพระนันทิยะก็อยู่ในเหตุการณ์และท่านก็นํามาเล่าให้พระองค์คุลีมานซึ่งตอนนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่เพิ่งบวชใหม่ ก็เล่าให้พระองคุริมาฟังว่าพรุทธเจ้านี้สอนอะไรพรนะพเจ้าก็สอนว่าเมื่อมีคนตำหนิต่อว่านะก็ให้ถือโอกาสนะในการเร่งทำความดีเขาต่อว่าเขาวิจารว่าเราไม่ดีไม่ไม่ดีอย่างโ้นไม่ดีอย่างนี้นะก็ให เร่งทำความดีเร่งปรับปรุงแก้ไขตัวเองและถ้าเกิดว่าเขาชมเรานะก็ให้ถือโอกาสที่จะทำความดีให้เพิ่มพูนมากขึ้นคือไม่ว่าเจอลบหรือบวกนะก็รู้จักใช้ประโยชน์จากมันนะในการที่ทำความดี สร้างกุศลให้เพิ่มพูนมากขึ้นไอ้ที่ไม่ดีก็แก้ไขให้เป็นดีซะหรือว่าที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้ดีมากขึ้นอันนี้เราเป็นผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆทั้งบวกและลบพระองค์ตรัสว่านเนี่ยผู้ใดที่รู้จักถือประโยชน์จากอิทธารมและอนิธารม ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่น่าพอใจนะรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจแล้วอิทธารมณ์หรือางทีเราก็เรียกง่ายๆว่าลาบยศสุขสารเสริญนะก็คือโลกธรรม4ฝ่ายบวกอนนีิถารมม์ก็คือ รูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่บีบคั้นทำให้เกิดทุกขเวทนาเรียกยานหนึ่งว่าเนี่ยเสื่อมลาบเสื่อมดดนะดินทาแล้วก็ทุกนะเอาคนส่วนใหญ่นะเวลาเจอสุกก็ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันก็คือว่าเพลิดเพลินกับความสุข แล้วก็เลยไม่เป็นอันทมอะไรพอสบายเราก็เลยนั่งเล่นนอนเล่นหรือว่าประมาทนะอันนี้เป็นโทษแต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขละอ่าก็ใช้โอกาสนั้นเนี้ยนะทำความดีเช่นพอสบายแล้วก็มาเจริญสติทำให้พอเป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจปลอดโปรง่ง สุกกับสมาธินี่มันควรจะมาด้วยกันนะคือพอสุขแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยนะอยากจะบําเพ็ญสมาธิสมาธิในที่นี้ก็คือภาวนาจะคนส่วนใหญ่พอสุขแล้วก็เอออยากจะนั่งเล่นนอนเล่นไม่ทําอะไรหรือว่าพอมีสุขภาพดีอย่างคนหนุ่มงคนงสาวนะมี ร่างกายแข็งแรงก็ใช้ร่างกายนั้นเนี่ยในการไปแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินแทนที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือเข้าวัดเขาก็บอกว่าเอาไว้แก่ก่อนเอาไว้แก่แล้วค่อยเข้าวัดนะในขณะที่ฉันยังหนุ่มสาวนี่ฉันขอสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้เรียกว่าประมาทไม่รู้จักใช้ประโยชน์นะจากความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยให้เกิดประโยชน์แต่ใช้ไปในทางที่เป็นโทษเพราะวาความเพลิดเพลิน ในสุขในวัยที่ยังมีพลานามัย่ในทางตรงข้ามนะเมื่อเจออนิสฐามณมเจอสิ่งที่มากระทบที่ทำให้ไม่สบายก็รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น เรื่องตรงต้นแกมีสตินะมีสติเห็นทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นทุกทุกแต่ไม่เป็นผู้ทุกให้เพียงแค่เรามันดูจิตนะเราก็จะเห็นพวกนี้ไม่ยากนะเห็นทุกแต่ไม่เป็นผู้ทุกนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นยังสามารถใช้ประโยชน์จากความทุกได้ด้วย เช่นเขาว่าเราเขาตำหนิเราเห็นความกรัวที่เกิดขึ้นพอไม่กลัวแล้วก็เอาสิ่งที่เขาพูดมาพิจารณาว่ามันจริงไหมไอ้ที่จริงก็เอาไปแก้ไขนะทำให้มันดีมากขึ้นเปลี่ยนความบกพร่องนะให้เป็นความสมบูรณ์เปลี่ยนความผิดพลาดได้กลายเป็นความถูกต้อง ที่จริงในตอนที่เกิดความโกรธนี่ก็ถ้าไม่เพียงแต่รู้ทันความโกรธได้ทนนั้นนะแต่ยังสามารถจะเห็นต่อไปว่าโอ้ความโกรธนี่มันมันแสดงว่าเรา ย, ยังมีทิตฐิมานะอยู่ทำไมถึงโกรธนะก็เพราะยังมีความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นคนดี ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนฉลาดนะฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนเสสละฉันเป็นคนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่พอเขาพูดหรือเขาตาหนิเราในทางตรงข้ามเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเลยนะคือถ้าไม่สำคัญตนม่กมายว่าฉันเก่งเนี่ยใครเขาว่าอะไรเราเราก็ไม่ได้โกรธอะไรถ้าไม่สำคัญตนว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเสสละ ค่อยาว่าอะไรเราเราก็ไม่โกรธนะไอ้ความถือตัวแบบนี้นแหละเนี่ยเรียกว่ามานะนะคนมีมานะนี่มันชอบชูธงนะชูธงให้โดดเด่นให้เห็นอย่างที่เมื่อกี้เราอ่สวดพระคุณร้อยประการเนี่ยก็มีประการหนึ่งที่พูะเจ้าท่านบรรลุแล้วคือความเป็นผู้ที่ไม่มีมานะ ท่านเปลี่ยนมันก็ลดทงลงนะลดทงลงแ ล, งลง้วคนเรานี่มักจะชูทงอยู่เสมอนะคือชูอัตตาไอตอนที่ชูอัตตานี่ไม่รู้ตัวนะมารู้ตัวตอนที่เขาว่าเราพอเขาว่าเราเช่นว่าเราชูทงหรือเราสําคัญมากมายว่าเราเก่งพอมีคนตําหนิว่าเราทําให้ถูกอย่างงู้นทําให้ดีอย่างนั้นนี่มันโกรธขึ้นมาเลยหรือพอเรา ที่ว่าเราเป็นคนที่มีความเสื่อมะเอื้อเฟื้อพอมีคนพูดถึงเราว่าเราเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองนี่มันโกรธขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นการกระทบนะกับอัตลาของเรานะที่เรายึดมั่นถือมันบางทีไม่เห็นนะไม่เห็นตัวมานะไม่เห็นอัตลาตัวนี้มาเห็นก็ตอนที่โกรธ ถ้าเราพิจารณาว่าทําไมถึงโกรธก็จะเห็นเลยเพราะไอ้ตัวนี้แหละตัวทิฏฐิมานะมานะคือความถือตัวว่าดีอย่างงบนเก่งอย่างนี้ส่วนทิฏฐินั้น ก, ก็คือความถือมั่นในความคิดความเห็นเวลามีความคิดเรื่องใดเนี่ยเราก็จะหวงแหนแล้วก็เชื่อมั่นว่ามันถูกมันดี พอมีคนมาวิจารณ์ความคิดน้วาเนี่ยมันยังบกพร่องอยู่ไม่เข้าท่าก็โกรธขึ้นมาได้เหมือนกันหรือว่าเจอคนที่คิดไม่เหมือนเราก็โกรธแล้วบางทีเขายังไม่ทันจะวิจารณ์ความคิดของเราความคิดเนี่ยจะเป็นาศาสนาอุดมการทางการเมืองก็ได้หรือความคิดเกี่ยวกับเรื่องอวัดวาอารามการปฏิบัติ เห็นคนหนึ่งเขปฏิบัติคนละทางกับเราก็เริ่มจะขุนขุดคล้องมองใจแล้วไม่พอใจเห็นคนที่เขาปฏิบัติคนละสายกับเราเราเริ่มชักจะรู้สึกไม่ดีกับเขาแล้วอันนี้มันเกิดจากทิฏฐินะมันมากระทบกับทิฏฐิที่เรายึดถือก็ทําให้โกรธทําให้ไม่พอใจ ถาเจอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักเฉยโอกาสรู้จักหาประโยชน์ก็จะทำให้เราได้เห็นกิเลสของตัวเองเวลาที่เราจะเห็นกิเลสได้ดีนะก็คือตอนที่เจอความทุกข์ตอนที่เกิดอารมณ์จะเป็นความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความเสียใจความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความอิจฉาพยาบาทอารมณ์พวกนี้เนี่ยนะมัน เป็นตัวที่สะท้อนกิเลสได้ดีมากไอ้ตอนที่ดีใจตอนที่มีความสุขเนี่ยอาจจะเห็นกิเลสไม่ชัดนะแต่พอตอนโกรดขึ้นมาหรือเครียดขึ้นมานี่ดูให้ดีนะอันนั้นแหละกิเลสทั้งนั้นเลยนะเพราะถ้าไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ ถ้าเรารู้จักโชกาดหรือว่ารู้จักหาประโยชน์นะเราก็จะเห็นกิเลสแล้วเราก็รู้ว่าอ่อนเนี่ยคือตัวการที่เราต้องจัดการแก้ไขปรับปรุงนะให้ความยึดมัน่นมาเป็นคนดีพอเห็นมันเราก็ต้องพยายามลดความยึดมั่นตรงนี้เร่งทําความดีโดยที่ไม่ไปยึดมัน่นถึงมันว่าเป็นคนดี ทำดีนี่สำคัญกว่าเป็นคนดีนะให้เป็นคนดีนี่มันก็อาจจะทาให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันดีฉันประเสริฐกับคนอื่นเกิดความหลงตัวลืมตนอีกแบบหนึ่งมันจะเกิดอาการยกตนข่มทานได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราขยันทาความดีโดยที่ไม่ไปนสนใจว่าจะเป็นคนดีอันนี้ดีกว่า ทำความดีโดยที่ไม่เป็นคนดีหรือไม่สำคัญมันมนนมญม่นหมายเป็นคนดีความสําคมัญหมายเป็นคนดีั่นก็ยังเป็นที่ยงเป็นมาณตัวหนึ่งก็ยังนำไปสู่การเกิดพบเกิดชาติแต่เราจะไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยเห็นความสำคัญมา่นหมายตรงนี้นะจนกว่าจะมีคนมาว่าว่าเราไม่ดีมาว่าว่าเรานะ เห็นแก่ตัวทําเพื่อตัวเองหรือมาพูดว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมหรือพูดว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะโอ๊นักปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีใครไม่มีคําพูดไหนที่จะรุนแรงเท่ากับนะมาว่าว่าเราไม่ปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติแล้วทำไมยังโกรธอยู่ แค่นี้นี่ก็ฉุนละไม่ต้องจ่วงจาบถึงพ่อถึงแม่นะเพียงแค่พูดเท่านี้นี่ก็โมโหแล้ะนั่นแหละตัวมานะแหละนะต้องฉลาดนะในการที่จะมองให้เห็นพอเห็นกิเลส ต, ตัวนี้แล้วะเราก็จะได้รู้ว่าตัวนี้แหละมันคือทงที่เราชูดโดยที่ไม่รู้ตัวนะต้องรู้จักรดมันลงบ้างเอามันลงบ้างกำลามันบ้างนะแล้วอาจจะขอบคุณได้ซ้ําเออที่ขอบคุณที่เขาว่าเรา มันทำให้เราเห็นกินเลสตัวนี้นี่คือวิสัยของบัณฑิตนี่คือวิสัยของนักปฏิบัติธรรมที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารมและก้อนิถารมอันนี้รงมไปถึงเวลาเกิดความเจ็บความป่วยความสูญเสียพัดพรากอย่างที่พูดเมื่อวานซึ่งเป็นธรรมดาโล เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะย่อมมีความทุกข์ความไม่พอใจเป็นธรรมดาปฏิกิริยาแรกก็คือไม่ยอมรับปฏิเสธก็ต้องมีสติเห็นนะเห็นอาการของใจที่มันปฏิเสธที่มันบน่นที่มันโมวยวายพัวง่าคือมีความทุกข์เห็นมันพอเห็นมันแล้วเนี่ยไอความทุกข์ใจก็จะ บรรเทาเบาบางลงมันมีแต่ความทุกข์กายหรือว่าเกิดความเสื่อมที่ที่เกิดกับทรัพย์สมบัติหรือคนรักนอกจากมีสติไม่เปิดโอกาสให้ความทุกข์มันมาครอบงาใจแล้วนะก็ยังถือโอกาสใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นซะเลยก็คือพิจารณาว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ประโยชน์อย่างแรกที่เกิดขึ้นเลยนะที่ได้นะก็คือมันฝึกเราให้อดทนเข้มแข็งนะเวลาเจอความเจ็บความป่วยนะความการพลาดพลาดสูญเสียนี่นะมันฝึกนะมันฝึกใจเราอย่างแรกคือฝึกให้เราอดทนรวมทั้งเวลาถูกต่อว่าถูกตำเนี่ยให้เราอดทนให้เรามีขันติให้เรามีความมั่นคงเข้มแข็งในจิตใจ แต่นอกจากฝึกขันติแล้วนะยังสามารถจะฝึกสติให้เราได้ด้วยทุกเหตุการณ์ไม่ว่าบวกหรือลบเนี่สามารถที่จะเอามาใช้ในการฝึกสตินอกจากสติแล้วก็ได้ขันตินตะนะยุงกัดก็ฝึกขันติได้เออทำงานเราจึงจะสงบนิ่งได้โดยที่ ไม่ไปทำร้ายมันเนื้ออดกลั้นนะต่ออารมณ์ที่มากระทบลองดูเถอะนะเขาสอนเราหลายอย่างฝึกให้เราปล่อยวางก็ได้เวลาของหายเวลาเงินถูกขโมยเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเรายังมีความยึดติดอยู่ยึดติดถือมาว่าเป็นของกูของกูของกู ทั้งนางที่มันไม่ใช่ของกูแล้วมันเป็นของใครก็ไม่รู้ไปแล้วเวลาน้ำท่วมพัดพาทรัพสมบัติไปก็ยังเสียใจเพราะยังยึดว่าเป็นของกูของกูแต่นั่นเป็นอดีตไปแล้วนะไอ้ของกูนี่เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันเป็นของใครก็ไม่รู้ เ, เมื่อเจอเหตุการณ์แบนี้ก็เออถือว่า เขามาฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะยังทุกข์เพราะอะไรเพราะยังมีความยึดมั่นว่ามันต้องไม่ป่วยมันต้องแข็งแรงอายุยังไม่มากเลยทำไมป่วยแล้วยังไม่ทันถึงเจ็ดสิบเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ละยังมีความยึดมั่นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ยึดมันว่ามันเที่ยงยึดมาเป็นของเราไอ้ความทุกข์จะเกิดขึ้นเนี่ยมันสอนมันมันฟ้องนะว่าเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่วันนั้นต้องทําไมอยากทุกข์ก็ต้องปล่อยวางโรคภัยไข้เจ็บนี่มันสอนเรานะให้รู้จักปล่อยวางไม่ใช่แค่ความอดทนเท่านั้นนอกจากสอน เราละมันยังนอกจากฝึกใจเราละมันยังสอนใจเราด้วยสอนใจเราให้เห็นความจริงนะให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารให้เห็นว่าร่างกายนี่มันเป็นรังของโรคนะมันมีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนนี่ก็ไปหลงเพลิดเพลินในร่างกายนี้ว่าจะเป็นที่มาแห่งความสุข เอาคนทุกวันนี้เนี่ยถือเอาร่างกายนี่เป็นแหล่งหรือที่มายหงความสุขนะพยายามประดับประดาร่างกายพยายามใช้ร่างกายนี่ในการเสพสุขไม่ใช่เสพสุขทางทางตาทางจมูกทางปากนะทางหูทางสัมผัสเท่านั้น แต่ยังพยายามทําให้ร่างกายนี้มันดูดีเพื่อคนก็จะได้ชื่นชมสรรเสริญเราพอผมงอกนิดหน่อยนะพอมีสิวพ อ, เ, อเริ่มเหียวย่นละเนะี่ยเป็นทุกข์ละพอรู้สึกว่าคนพอรู้สึกว่ามันจะไม่ดูดีในสายตาของใครอันนี้เป็นเป็นความหลงของคนในยุคนี้มากนะ ถึงกับไปไปดัดไปแปลงไปผ่านะเพื่อให้มันดูดีอันนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากความหลงว่าร่างกายนีนย้มันจะเป็นที่มาแห่งความสุขจนลืมไปว่ามันคือรังของโรคนะมันคือทุกข์นะที่มันซ่อนอยู่ท่ามกลางความสุขแต่พอเราเริ่มแก่ หรือเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็เห็นแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังขาร่างกายมันไม่ใช่เช่นนั้นมันเต็มไปด้วยความเสื่อมความทุกข์แถมไม่ใช่ของเราอีกตั้งหากเพรจะเป็นของเราเราต้องดัดแปลงแก้ไขทำให้มันดีได้อันนี้แหละคือธรรมะที่เขาสอนเรานะ สมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่หายไปเขาก็สอนเรานะว่ามันไม่ใช่ของเราเลยมันแค่อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวและสักวันก็ต้องไปเป็นของคนอื่นหรือว่าคืนสู่ดินน้ำไฟลมคือคืนสู่ธรรมชาติเช่นไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวมันกลืนทรัพย์สมบัติไปหมดอันนี้เรียกว่าพากับคืนสู่ธรรมชาติหรือไม่ฉะนั้นก็กลายเป็นของคนอื่นไปซะ อย่างที่เขาเรียกสมบัติผลัดกันชมนัวว่นหนี้คือสัจธรรมนะที่อ น, นิถารมสอนเรานะคือสัจธรรมที่เหตุร้ายเขาสอนเราเราต้องรู้จักฉลาดนะสามารถจะมองเห็นสัจธรรมจากเหตุการเหล่านี้ อันนี้เลยว่าเป็นผู้ที่รู้จักถือประโยชน์หาประโยชน์นะจากอ น, นิถารมอันนี้คือการรู้จักช่วยโอกาสช่วยโอกาสจากแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ล้ายๆในการที่จะตอกย้ำธรรมะหรือเปิดใจให้เห็นธรรมะเราอย่าเสียโอกาสนั้นไปนะเวลาถูกตาหนิถูกต่อว่าเวลา เงินหายถูกโกงนี่คือโอกาสนะที่เราจะต้องรู้จักช่วยเพื่อที่จะได้เปิดใจใหเห็นธรรมะเนื้ อ, อามาใช้เพื่อฝึกใจนะให้มีความอดทนให้รู้จักมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นอันนี้นะเป็น วิสัยของนักปฏิบัติธรรมเลยนะนักปฏิบัติธรรมที่ฉลาดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะแม้แต่ความเครียดนะที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติมันก็ดีนะที่มันทำให้เราได้รู้ว่าเราวางใจไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอาจจะมีความยึดติดถือมั่นบางอย่างเช่นอยากจะให้ใจสงบพอไม่สงบ ก็เครียดขึ้นมาเลยเพราะผิดหวังเพคุณเครืองใจเมื่อรู้เช่นนี้ก็วางนะวางความคาดหวังให้ใจอยู่กับปัจจุบันตาใดที่เรายังมีความคาดหวังเราก็ยึดมาในความคาดหวังบางอย่างแสดงว่าใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วใจไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับผลที่ยังไม่เกิดขึ้น อารมณ์ทุกอย่างนะไม่ว่าบวกหรือลบที่เกิดขึ้นในใจมันยังสอนให้เราได้เห็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาได้ความโกรธก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความเครียดความหงุดหงิดก็ไม่เที่ยงนะเห็นมันซะมันไม่เที่ยงเพราะมันตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันต้องเสื่อมไป ความโกรธนี่ก็เป็นทุกข์นะความหงุดหงิดก็เป็นทุกข์ก็คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้มันก็ต้องเสื่อมไปความทุกข์ก็เป็นทุกข์นะหมายถึงทุกขเวทนานะทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์นะคือมันไม่สามารถจะอยู่ในสภาพเดิมได้มันต้องเสื่อมสลายไปเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา นถ้าเรารู้จักดูใจนะก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งกิเลสแม้กระทั่งอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนหรือแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้ไม่ใช่แค่อนิฐารณมเท่านั้นนะแม้แต่ทั้งอกุศลธรรมด้วยอ น, นิฐารณมคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจนะ อันนี้เรียกเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายภายนอกก็ได้ส่วนอกุศลธรรมนี่ก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจภายในทั้งอนิจานลมแล้วก็อารมณ์อกุศลนี่โดยแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าาว่าเรารู้จักมองรู้จักใช้มันรู้จักหาประโยชน์จากมันถ้าเป็นเช่นนี้นี่ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าเครื่องทดสอบนะนักปฏิบัติธรรมคือว่ารู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันแย่ๆหรือว่าจะาอนิจธรรมรวมทั้งอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจหรือเปล่านะถ้า ย, ยังหาประโยชน์จากมันไม่ได้ก็ยังเรียกว่าสอบไม่ผ่านนะ ไม่เป็นไรก็สอบใหม่ได้ยังมีโอกาสที่จะสอบซ่อมได้อีกหลายครั้งเรายังมีเวลาเอาละชาติ้ก็ดเผื่เท่านี้นะ